ทั้งริษยามัจฉริ ย, ยะพวกนี้จะตามด้วยกายกรรมต่างๆเพื่อที่จะส่งเสริมไอริษยาเพื่อที่จะสนองมัจฉริ ย, ยะมันถ้อยคำของบางคนนะจะพูดบกวนอ้อมขนาดไหนก็ตามแต่ต้องการอธิบายว่าฉันไม่ยอมสละโดยประการทั้งปวงบางคนก็พูดซะยืดยาวเลยก็คือแสดงว่าไม่ชอบที่คนอื่นเขาได้ดีนะจะใช้วรรคมากมายขนาดไหนก็ตาม สำนวนไพเราะลึกซึ้งขนาดไหนก็ตามเขาบอกว่าวงการพวกนี้ดูได้จากที่ไหนรู้ไหมในเยวมากไงเนี่ยในสภาแหละนั่นก็ตรงสภาวะดีเือนกันสภาเล็กสภาใหญ่สภาย่อยก็ว่ารวมๆนะเวลาคุยกันก็มีอยู่เท่านี้แหละเลยนะ <c oughs> คื อ, อใช่ใช้ใช้โวหารแบบเรียกว่าเหมือนมุทิตาเนี่ยนะเรียกว่าถ้าพวกริษยานะเสมือนคาว่าเสมือนเนี่ยนะเสมือนมุทิตาเนี่ยนะถ้าตัวเองมัจฉิยะนะเสมือนกรุณานนเะสมือนมีเมตตาเสมือนหวังเมตาก็คือหวังดีใช่ เสมือนหวังดีเนี่ยทำเหมือนแต่มันไม่ใช่อนนอย่างอย่างสำนวนที่ไรนะมีดโกนอาบน้ำพึ่งอะไรทั้งหลายแหละมันก็ไม่ได้เป็นถ้อยคำที่เป็นเมตตาอะไรหรอกเพราะต้องการจะพูดให้คนอื่นอะไรเจ็บที่สุดใช่ไหมก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรพวกพวกนี้ถ้าเป็นทศดาบันบุคคลเนี่ยตัวทิฏฐิเนี่ยละโดยประการทั้งปวงไง ตัวตันหาจริตเนี่ยนะละส่วนนี้ได้ริษยากับมัฉชิยะเนี่ยถูกละออกไปอ่าใช่แต่นี้ก็เอาเอาแบบที่มันหยาบหยาไปเห็นเห็นก่อนคือพื้นฐานของพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีริษยากับมัฉชิยะแต่ถามว่าท่านถือตัวไหมถือเนี่ยยิงไหมบอกไม่เบา ไม่จริงอะ่ะแต่ว่ากินข้าวร่วมโต๊ะไม่ได้ก็แล้วกันตายยังดีกว่าเลย mm hmm. เจ้ามาหานามานะจะกินข้าวร่วมกับหลานจริงๆก็หลานในไส้ตัวเองไแหละแต่ว่าเป็นหลานที่มันเกิดจากลูกท่าดอะ่ะก <c oughs> ็โขจะหลานนี่อยากกินข้าวร่วมกับตาตาไม่ยอมเลยนะบอกว่าเดี๋ยวหลานเดี๋ยวตาขออาบน้าก่อน อาบน้ําแกก็ผมผมแข็งเนผมยาวเขาไม่ยอมตัดผมเน้ยแกก็ม้วนมวน้นมวนมาแล้วเอาขาเนี่ยเหยียบผ ม, มจะได้จมน้ําตายสักทีก็ ล, ลงทุนค่าตัวตายเลยจะได้ไม่ต้องกินข้าวกับหลานดีว่าพะญานากรับไปก่อนนะน่ะถามว่าเป็นอะไรบอกเป็นสกะทาคามีงี้ยนะพระเจ้ามหานามะเป็นพระสกะทาคามีนะที่ว่าเนี่ย งั้นพวนจะว่าจะดูถูกนักกิเลสเนี่ยนะถ้าเป็นการการสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าเป็นคนไทยในพระพิสูจน์ในภายในศาสนานี้เลยนยถ้าเป็นศึกษามาอะไรมาปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์จะสอนให้ลดคือลดมานะยกมานะเป็นเรื่องใหญ่เลยถ้าถ้าเป็นคนภายในนะถ้าเป็นพวกภายนอกศาสนานลดทิฐิ เนี่ยถ้าถ้าเราสังเกต ด, ดูสูตรแล้วจะมีอยู่เท่านี้แหละคำพูดอะไรถ้าพูดเพื่อต้องการให้แกนี่อย่ามีมานะไปแล้วกันอันนี้ถ้าเป็นคนในนะหมายถึงพระพิสุภิษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายแหละ ท, ที่ที่อยู่เป็นอยู่ภายในศาสนาไม่ได้เข้าใจผิดอะไรก็สอนให้ลดมานะแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับคนนอกก็คือลดทิฐิ ก, ก็ก็มีอยู่ใหญ่ๆอยู่สองอย่าง แม้กระทั่งเราสู้เขาไม่ได้อันนั้นมันก็มานะอีกชนิดหนึ่งนะมองโดยแง่ใดๆเราก็แพ้เขาทุกอย่างอันนั้นก็ไม่ใช่ว่าปราศจากมานะเรากับเขามันก็พอๆกันนั่นแหละก็มานะอีกนั่นแหละเราดีกว่าก็มานะพอๆกันก็มานะอู้ว่าทำไมเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยเลวกว่าเขาโดยประการทั้งปวง แต่ก็มานะอีกนั่นแหละผู้ที่ระดับหนึ่งไปแล้วเนี่ยนะมานะพวกนี้ถือว่าโดยรู้ส่วไปก็ตามเป็นจริงนะตามเป็นจริงนะความจริงมันก็ดีกว่าเขาอะ่ะแต่ก็ถือตัวว่าดีกว่าเขาอ่ะนะก็สมมุตินะถ้าเปรียบเทียบเขาบอกว่าคะแนนอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามใช่ไหมพวกอันดับหนึ่งาก็ถือว่าเขานี่ดีกว่าพวกอันดับสองก็บอกว่าเราเนี่ยรองแค่พวกหนึ่งใช่ไหม สูงกว่าระดับสาม้พวกสามก็บอกอเราสู้เขาไม่ได้หมดเลยถามว่ามันจริงไหมโดยกติกาเหตุผลมันก็จริงอ่ะแต่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งความถือตัว ก, ก, ก, อก็อย่ายั่วกันแล้วกัน <c oughs> คือมีไม่มีนี่ห้ามยั <c> ่ว <oughs> มานะเนี่ยนะมันเป็นตระกูลเขาเรียกว่าปะกินตะกะ ตัวอกุศลเจตสิกนะที่มันตกินากะเนี่ยนะที่ที่เป็นเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมันอันอนนี้ะตะโยโคีใช่ไหมมันไม่ค่อยแน่นอนคือถ้าเป็นโทจตุกะเนี่ยนะโทสะก็ไอตัวที่ไม่แน่นอนคือริษยาอันนะอิสามัชระยะอันนี้ไม่ค่อยแน่นอนถ้าเป็น โลติกะเนี่ยนะก็คือทิฏฐิกับมานะแต่ถ้าเป็นถีทุกะเนี่ยนะถีทุกะพวกเนี้ยอย่าหาเหตุให้ถ้าหาเหตุสมมติว่าริษยากับมัชเชริยะนะไปพูดจนเขาริษยาเลยก็ได้ใช่ไหมเขาบอกว่านิทีพูดให้เขาริษยานะยังไง มถ้าเขาเป็นแบบเมียหลวงกับเมียน้อยเขามีสองคนใช่ไหมถ้าเราจะพูดให้อีกคนหนึ่งริษยาเลยก็คือพูดชมกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวเขาจะชอบไหมไม่ก็ชอบเพราะว่าอันเนี้ยคือพูดจนอีกฝ่ายหนึ่งริษยาเลยนะขมันอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบโดยประการทั้งปวงพูดให้เขามัจฉริยะเลยนะผู้การแม่นตา น, นี้ขอเถอะรถนี้ขอนะ ถามว่าโหปุสสและจิตเกิดเลยใช่ไหมก็เขาเรียกว่าอะไรที่มันขอเกินไปเนี่ยนะประเภทนี้ตามด้วยมัจฉริยะทันทีเพราะฉะนั้นก็เขาบอกว่าอย่ยยุ่วกันแล้วกันริสยาก็เหมือนกันมัจฉริยะก็เหมือนกันก็คนโดยทั่วๆไปเนี่ยน ะ, ะถ้ายิ่งแบบอะไรชมในฝ่ายที่ตัวเองไม่ค่อยชอบเนี่ยรับได้ไหม ฝ่ายที่ตัวเองไม่ค่อยชอบถ้ามีคนมาชมให้ตัวเองได้ยินเลยนะพวกนี้ตามด้วยริษยาเพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้ริษยาเกิดก็อย่าชมศัตรูของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเป็นอันขาดไม่งั้นเรื่องมันจะใหญ่โตอยานะ่าเราก็จะได้ศัตรูเพิ่มนปะัญหาทะเลาะเบาแวงกันนะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือชมศัตรูอีกฝ่ายหนึ่งให้อีกฝ่ายหนึ่งฟัง ไปชมอีกฝ่ายหนึ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบให้อีกฝ่ายหนึ่งฟังเนี่ยนะอันนั่นแหละอุ๊ยตามมาด้วยเรื่องราวใหญ่โตทะเลาะเบาแวงกินเส้นกันไม่ลงเป็นต้นเนี่ยพวกนี้แหละกับมัจฉริยะนี่ก็คือไปไปพูดเรียบๆ เ, เคียงๆไอ้ของที่เขาห่วงอะไะยิ่งเขาห่วงอะไรมากก็วนอยู่แต่แถวๆนั้นนั่นแหละเขาบอกว่าในโลกนี้อะไรห่วงเป็สุดไหยเขาบอกว่าพูดให้เขาเสียเงินเสียทองไหมคาพูดประเภทเนี้ยจะต่อด้วยมัจฉริยะซะส่วนใหญ่ นี่อันนี้โดยมากถ้าเป็นทิฏฐินะถ้าเป็นทิฏฐิเนี่ยก็สนทนาเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติดูสนทนาเมื่อไหร่นะทิฏฐิจะเข้ามาเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัตินะไม่รู้ว่าทิฏฐิอะไรก็ช่างเถอะสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิก็สนทนากันนี่ก็เข้ามาและถ้ามานะล่ะเนี่ยรู้จักเราน้อยไปอันนี้อะไร ก็อยู่ในสามสามข้อนี่แหละแกมันแค่ไหนวะลองไปยั่ว ย, ยางงี้นะเดี๋ยวมานะมันจะกำเริบเพราะพวกนี้เป็นเจตสิกที่ไม่แน่นอนเขาบอกว่าในวงการสนทนาเนี่ยนะถึงสนทนาพวกอกุศลด้วยกันเนี่ยเขาจะพูดหลีกเลี่ยงพวกนี้ เขาเขาจะพูดเพื่ออันนี้เป็นกติกาของการสนทนาแบบชาวโลกทั่วไปนะเนีย่ยอย่าพูดอย่าพูดเป็นคนเจ้ายศเจ้ายางอะไรเงี้ยนะแต่ตรงนี้ให้อ่อนน้อมเข้าไว้ น, นะแต่ถ้ามานะประเภทสําคัญว่าตำก็เพื่อนอันนี้สังคมก็ยอมรับแต่นะแต่ถ้าสําคัญว่าดีกว่าสังคมก็ยอมไม่ได้เพราะเขาบอกว่าไม่ชอบคนอื่นเด่นกว่าแต่ถ้า พูดแบบมานนะนะแต่สำคัญว่าตนต่ำต้อยกว่าคนอื่นนะคนจะชอบฟังก็ก็เป็นสันดานดิบของคนอะไรไม่ทรา บ, าบว่าจะชอบฟังเมื่อคนอื่นเขาอะไรนะฟังคำที่คนอื่นเขาพร่ำทุกกันนะแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยชอบฟังของฟังคำของผู้ชนะสักเท่าไหร่ดดมดเ <laughs> แล้วก็พวกนี้คำพูดประเภทเนี้เขาก็โดยโดยกติกาทั่วไปนะใครที่พูดไม่เข้าเนี่ยกลม5อย่างนะคนนั้นเป็นนักพูดที่เก่งที่สุดมันถ้าศึกษา อ, อ, อาริยศาสตร์เนี่ยนะการทำปริญญา วัตถุประสงค์ก็เพื่อละพวกนี้นะีทั้นถ้าใครที่ทำปริญญามากๆานี่นะถามว่าเป็นยังไง เ, เกี่ยวกับริษยามัชย ร, ริยาสกายะธิฐีวิจิกิจฉาศีลรพัตตะตรามาตอธิบายได้ไหมอัะนนะคือคำว่าอธิบายได้หมยายความว่าตัวเองกำหนดอย่างไรอ่ะนะพิจารณาอย่างไรจึงละละอกุศลเหล่านี้ได้ นะคิดยังไงจึงละบาปอากุศลเหล่านี้ได้แต่ถ้าตามอัตกถารัตนสูตรเนี่ยนะที่บอกว่าสากายะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีรพ a ต t ปรามมาทัศโสดาบันละได้ใช่ไหมทัศโสดาบันละสากายะทิฏฐิได้เพราะกําหนดทุกขสัตว์ใช้คําว่ากําหนดก็ไม่คดีนะครับแต่ว่าทําปริญญาในทุกขสัตว์อันนะ ละวิจิกิจชาได้เนื่องจากกาหนดหรือปหานะสมุทรยศรหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือท่านกาหนดสมุทรไทยได้นั่นแหละท่านเจรลาวิจิกิจชาส่วนท่านกาหนดมรรษัทอย่รภาวนามรรษัทและสัจฉิกิริยาใน นิโรธสัจจะพระโสดาบันจึงละสกายติฐิวิจิกิจฉาท่านการเห็นอริยศัส์เนี่ยท่านจึงละสกายติฐิวิจิกิจฉาได้พวกขันอาญตนาทั้งหลายจะไม่เป็นวัตถุที่ตั้งแห่งริสยากับมัชยริยะของท่านอีกต่อไปนะก็ไม่รู้จะริสยากันทําอะไร ฤษยารู้สึกว่าคนอื่นเขามีฝีสวยกว่าอย่างเงี้ยแหษยาไหมเขามีฝีสวยกว่ า, างน้นะไม่ฤษยาหรอ ก, <c oughs> กการพิจารณาเรื่องชาติชรามมรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัตอุปายาตเนี่ยนะโดยหลักการก็คือเพื่อละบาปอกุศลเหล่านี้ แล้วก็มาดูในชีวิตที่เป็นจริงว่าใกล้จะละบาปอากุศลเหล่านี้ได้ไหมแต่ที่สำคัญนะอุชูปฏิปันโนนี่สำคัญมากว่าต้องตรงต่อต่อตัวเองนะตรงต่ออารมณ์นั้นจริงๆว่าอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุศลอะไรบ้างเลนะ ขันห้าเนี่ยนะมันเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความปรารถนาจริงๆนะถ้าถ้ากล่าวตามการทําปริญญาในทุกขาริยสัท์เพิ่มเติมอีกเนี่ยนะคือขันห้ามันเป็นชาติใช่ไหมคือสิ่งที่มีชาติเป็นธรรมดาชราเป็นธรรมดาพญาทีเป็นธรรมดามรณะเป็นธรรมดาเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมณตและอุปายาต น, นะหมายว่าขันห้าเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัตและ อุปายาตเขาเขาคําว่าธรรมะธรรมะในในอริยศาสตร์เนี่ยเอเออ่าถ้าเป็นที่อื่นๆเนี่ยนะที่อธิบายเกี่ยวกับชาติธรรมโตช า, าติธรรมโตพยาธิธรรมโตมรณะธรรมโตเนี่ยนะเขามีคําอธิบายพิเศษพิเศษ อ, อีกว่าอันนี้ยกขันห้าก็ได้นะหรือยกอายตนะก็ได้ ขันอายตนะทั้งหลายเป็นมีชาติชราพยาธิมรณะธรรมะเป็นธรรมะธรรมะตัวนี้แปลว่าปกติหรือที่เรียกว่าธรรมดาก็ได้เนี่ยนะ เพราะเป็นของที่เกิดเป็นธรรมดาแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาถือเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเลยเพราะฉะนั้นเวลาใครไปหาหมอหมอเขาตรวจโรคนะเราก็รับไม่ค่อยได้ใช่ไหมหมอเขาจะพูดว่าปกตินะ เ, เนี่ยสมมติคนอายุมากๆไปตรวจโรคนะแล้วหมอเขาบอกปกติหมดเลย ปกติยังไงถ้าปกติเรามันจะไม่มาตรวจเรากันนะก็ปกติของหมอที่เรียกว่าถ้าอายุขณะ น, นี้แบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้กันทุกคนอันนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่อีคนนั้นมันเข้าถึงสภาวะอันนั้นมันก็เลยเรียกว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมอันนี้ในที่หนึ่งนะธรรมะตัวนี้แปลว่าธรรมดาปกติส่วนธรรมะอีกอย่างหนึ่งเช่นโสกะธรรมเนี่ยนะโสกะธรรมเนี่ยนะปริเทวธรรม โศกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตธรรมะตัวเนี้ยธรรมะตัวนี้แปลว่าเหตุมันเป็นต้นเหตุแห่งโศกะเห็นเป็นเหตุแห่งโศกะเป็นเหตุแห่งปริเทวะเป็นเหตุแห่งความทุกข์เป็นเหตุแห่งโทมนัสแล้วก็เป็นเหตุแห่งอุปายาตเนไ เวลาพิจารณาขันท่าเนี่ยเช่นอ า, อายาตนะก็ได้พอเห็นแล้วโศกเลยใช่ไหมถ้าไม่มีตาเนี่ยจะโศกไหมก็ไม่โศกเพราะเนื่องจากตาไปเห็นตาเห็นสีบางอย่างนี้โศกสะอื้นเลยนะเพราะเพราะอะไรเพราะขันายัตนะเป็นเหตุแห่งความโศกเป็นเหตุแห่งความบนเพ้อเป็นเหตุแห่งความทุกข์เป็นเหตุแห่งความ เสียใจเป็นเหตุแห่งความทับแค้นใจเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าธรรมะตัวนี้แปลว่าเหตุหรือแม้กระทั่งสังกิเลสเนี่ยนะสังกิเลสิกะธรรมเนี่ยนะสังกิเลสิกธรรมะธรรมะตัวมันเป็นเหตุแห่งสังกิเลสคือตันหามะตัหะทุจริตตันหาทิฏฐิเนี่ยนะ ขันห้าเนี่ยเป็นสังกิเลสิกะธรรมสังกิเลสิกะแปลว่าเศร้าหมองเบนสภาวะขันห้าเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตกรรมขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งตันหาขันห้าเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฐิพันโซกะปริเทวะทุกโทมานตุปายาสังกิเลสิกะเนี่ยนะธรรมะตัวหลังนั้นแปลว่าเหตุธรรมะตัวแรกแปลว่าปกติธรรมดา ถ้าทำปริญญามากๆเนี่ยนะอันเนี้ยพวกนี้จะเห็นนะจะเห็นว่าตัวเขาเองเป็นอย่างนี้ถ้าสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าเป็นสังกิเลสเนี่ยนะสังกิเลสเนี่ยเห็นชัดว่าถ้าขันห้าที่บางอย่างเป็นที่ตั้งแห่งทูจจิตกรรมขันห้าบางอย่างถ้าสวยก็เป็นที่ตั้งแห่งตันหาถ้าไม่พิจารณาก็เป็นที่ตั้งแห่งทิฐิพันทุจิตก็คือ โดยมากที่ทำทุจริตก็ด้วยอำนาจของโทสะใช่ไหมที่ชอบก็ตรงๆ ต, ต, ตัวคือโลภะที่เข้าใจผิดก็เพราะโมหะนั้นถ้าพิจารณาขันห้าดีจะรู้ว่าขันห้าเป็นเหตุแห่งโลภะโทสะและโมหะหถ้าเนี่ยถ้ามันดีๆหน่อยก็ชอบ ถ้ามันชักเอจตลาซึ่งความเสียหายก็ทำทุจริตกรรมไม่พิจารณาก็มิจฉาทิฏฐิก็เกิดขึ้นแต่ถ้าพิจารณาอย่างนี้จะเข้าใจเลยว่ากิเลสเนี่ยมันอยู่ในอุปาทานขันห้าหรือไม่อยู่ในอุปาทานขันห้าตั้งคำถามว่าวิบากและกรรมมชรูปมีกิเลสอยู่ร่วมด้วยไหม ถามว่าเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสใช่ไหมใช่เพราะเนื่องจากตัวนี้มันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสนี่เขาจึงเรียกว่าอารัมมานานุสัยนะนะมันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแต่ไม่มีกิเลสตัวใดไปซึมซาบเอ่อซึมซาบอยู่ในวิบากและกรรมชรลูบแต่บางท่านพยายามจะอธิบายให้มันมีกิเลสอยู่ในนั้นเนี่ยนะเนี่ย อ๋อเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นสลายสภา ม, มากเพื่อที่จะประชุมว่าวิบากกรรมชรูปมันมีกิเลสอยู่ด้วย <c oughs> แต่ถ้าเอามาวัตถุมาทําปริญญาเนี่ยจะไม่แปลกใจเลยเพราะว่าวัตถุคือวิบากกับกรรมชรูปเนี่ยนะที่เรียกว่าขันหรืออายตนะมันเป็นที่ตั้งแห่งทุจริตเป็นที่ตั้งแห่งตันหาเป็นที่ตั้งแห่งเทฐิ ซึ่งอนุสัยคืออะไรอนุสัยก็คือโลภะโทสะและโมหะใช่ไหมตัวอนุสัยจริงๆก็คือโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะมันไม่มีในวิบากกับกรรมชรูปมันถ้าใครทําปริญญามาดีเนี่ยนะจะไม่มีทางเข้าใจผิดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอนุสัยเลยจะรู้แล้วว่าอนุสัยนี่เป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับอกุศลแต่อารมณ์มันไม่เกี่ยงนะ จะรู้ว่าวิบากกรรมมาชรูปเป็นที่ตั้งแหง่งเป็นที่ตั้งแห่งอกุศลใช่ไหมถ้าวิบากกรรมมาชรูปเอานะสีสวยๆกิเลสตัวไหนเกิดโดยมากโลภะเกิดถ้าวิบากกรรมมาชรูปที่ไม่ดีเลยก็เป็นที่ตั้งแหง่งโทสะนะเห็นมาแล้วก็แผลเต็มตัวไปหมดเลยนะแผลสีน้องเต็มตัวไปหมดเลยก็เห็นแล้วก็ โทสะเหมือนกับว่าโทสะมันนอนอยู่ที่แผลฝีหนองอะ่ะจริงๆไม่ใช่ไม่พิจารณาในวัตถุใดวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแหง่งโมหะเพราะพวกอารมณ์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแหง่งกิเลสทีเ่เรียกว่าสังกิเลสิกธรรม น, นะหรืออาหาสวัฏานิยธรรมก็ได้นิวรณิยธรรมก็ได้เพราะมันเป็นถ้าไม่มีสิ่งนี้กิเลสมันไม่เกิดอ่ะเห็นไหม นี่นะอารมณนานุสัยหมายคือว่ากิเลสนะเวลาสมมติถ้าชอบชอบอะไรมันก็ชอบของสวยใช่ไหมเวลามันชังมันก็ชังของที่ไม่สวยทั้งสวยไม่สวยมันไม่พิจารณาทั้งหมดนั่นแหละอันนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งอกุศลถ้ามันเป็นที่ตั้งเนี่ยเป็นที่ตั้งโดยอารมณ์ไม่ใช่โดยสัมปยุทธ์เนี่ยนะแต่ก็พยายามอธิบายให้มันเป็นสัมปยุทธ ก็อนุสยะไงมันตามนอน อ, ะ อ, นนอ่ะก็วิบากกรรมมาชูบก็มีอนุสัยพวังพะจิตเกิดก็มีถามว่าวัตถุ น, นั้นเป็นที่ตั้งแห่งอนุสัยไหมเป็นก็ไม่เถียงว่าไม่เป็นเพราะฉะนั้นในเงโลกของปุตุชนนะอย่างเราๆทั้งหลายตอนนี้นะมีความโกรธไหม อันะเป็นรายคนนะต้องถามเป็นรายคนมีความโกรธไหมบอกไม่มีละได้หรือยังยังใช่ไหมก็ถามว่ามันนอนอยู่ตรงไหนเอาออกมาที่คือถ้าเป็นชาวโลกเนยนะถ้าจะมองแบบคอมพิวเตอร์มันจะต้องมีมีมีมีรูปธรรมอยู่ในนั้นจริงๆนะจอมนิดสิ่งนั้นจึงจะเรียกว่ามีถ้าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เลยนะต้องอย่างเช่นว่าข้อมูลที่เก็บเอาไว้ใน หัดดิหรือในอะไรก็ตามที่ที่เก็บข้อมูลเลยนะสิ่งนั้นมีก็เนื่องจากค้นออกมาแล้วมันมีอันนั่นคือลักษณะของรูปธรรมถ้ารูปธรรมเนี่ยมันมีอยู่ใช่ไหมมันจึงดึงสิ่งนั้นออกมาได้ถ้าถ้าพูดแบบคอมพิวเตอร์นะแต่ถ้าเป็นนามธรรมล่ะนามธรรมมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยพรานามธรรมเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่มีได้ปัจจัยจึงมี เช่นกุศลมีอะไรเป็นปัจจัยบอกโยนิสโสอากุศลมีอะไรเป็นปัจจัยอะโยนิสโสเพราะฉถ้ามีโยนิสโสเมื่อไหร่กุศลก็เกิดนามธรรมที่เป็นกุศลก็เกิดถ้าอายโยนิสโสนามธรรมที่เป็นอกุศลก็ก็เกิดแล้วนามธรรมธรรมชาติเขาต้องมีอะไรอารมณ์อารมณ์เนี่ยมันตัวอารมณ์เนี่ยเป็นวัตถุแห่งโยนิสโสแล้ว โยนิโสถ้าโยนิโสมนสิการเป็นก็เป็นศีลกุศลเป็นต้นเนี่ยนะถ้าไม่โยนิโสมนสิการความทุศีลเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นเนีย่ยนะทีนี้ทํายังไงที่จะโยนิโสมนสิการในขันอายตนะและธาตุได้นะโยนิโสอย่างไงเป็นศีลโยนิโสอย่างไรเป็นสมถะวิปัสนาเป็นต้นนั่นแหละจะรู้ว่าขันธาตุอายตนะทั้งมวลเนี่ยนะอย่างที่ ที่ผ่านมาเราก็เน้นอธิบายว่าขันธาตุอายตนะเป็นสิ่งที่มีชาติชราปยาธิมรณะเป็นปกติของเขาเขาเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขะโทมาัตและอุปายาตนะสัมประโยคทุกสัมประโยกกับอะไรกับขันห้าวิประโยคก็กับขันห้าเพราะทั้งสัมประโยควิประโยคเนี่ยนะสัมประโย ค, คแปล ว, ว่าประกอบประกอบกับขันห้าที่ไม่น่าพอใจเนี่ยนะ อยู่ๆก้อนมะเร็งมันขึ้นมาไม่น่าขึ้นมันก็ขึ้นใช่ไหมเอาอันนี้สัมปโยคะทุกใช่ไหมแขนเคยมีอยู่ดีๆมันหลุดหายไปข้างหนึ่งอันนี้อะไรทุก <c oughs> วิปโยคทุ ก, กัอน <c oughs> อยู่ๆก้อนมะเร็งมันเพิ่มขึ้นมาเฉยอันนี้พวกนี้สัมปโยคะทุกไม่ดีอยู่ๆแขนมันหลุดไปข้างหนึ่งอันนี้ก็วิปโยคทุกเจอผีนี่เป็นอะไรครับ เออนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมารายงานกันแล้วกันเอาไปทำวิจัยทีเกิถ้าถ้าแบ่งแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะมัน ถ้าพูดแบบรวมๆเลยนะถ้าแบบพูดแบบจริตมันจะมีจริตนะพวกสัมประโยคทุกวิประโยคทุกพวกนี้มันประกาศถึงจริตถ้าพวกราคะจริตเนีย่ยนะพวกนี้วิประโยคทุกสัมประโยคสัมประโยคสัมประโยคสุขเนีย่ยนะพวกราคะจริตนะ ถ้าไปเจอเออถ้าจะต้องจากอะไรหน่อยนะโอ้ยมันเหลียวมองเหลียวอยู่นั่นแหละนะเคยสังเกตดูนะอะไรอาวบนอาวบนก่อนลาอยู่นั่นแหละโบกใบโบกมือโอ้ยชะเง้อจนไม่ยอมเค่เรียกว่าไม่ยอมละสายตาสักทีหนึ่งอันนี้พวกนี้เป็นลักษณะของวิปโยคุอ่าวิโยคประกาศถึงราคาจริตเลยนะก็ต้นทอนผู้แต่งนะครับวิปโยคโศกทวินถึงปีนเก้า นี่คิดถึงว่าพระเจ้าแผ่นดินที่เคยเกื้อกูลจันมาแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ได้สวรรคตไปแล้ววิปโยคโศกทวินทึงติ่งเกล้าข้าพระเจ้าข่าพระเจ้าบำลุงซึ่งกรุงศรีประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรีชื่อปทุมธา น, นีเพราะมีบัวคือคิดถึงคิดถึงราชการที่เท่าไหร่นะ ท, ที่สองใช่ไหมคือที่สองเนี่ยท่านเอนดูพึงทอนผู้มากเยแล้วตอนหลังนี่ก็พอรัชการหลังๆนี่ก็ถูกถูกในประเทศแล้แลแลนึกถึงเออวิปประโยคโศกทวินถึงป่นเกล้านี่เออเป็นอย่างนั้นจริงๆ